ไอ้สารลดไอ้เทเลคอนเฟลต์มันอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมวันอาทิตย์หน้านะหลพ่อยุเทศผ่านเทเลคอนเฟลต์วิดีโอคอนเฟลต์ไปพระทาต ก, กดแก้วนะถ้าพวกเราอยากส่งงินบ้านต้องไปอยู่ที่โน่นนะไป <c oughs> <c oughs> อยู่พระทาตกดแก้วจะจับฉลากให้ได้นะ ให้โอกาสคนที่เขาอยู่ไกลบ้างนะพวกเรามาเหียนประจำอยู่แนละ้วส่วนใหญ่ได้เขื่อนได้เขื่อนมาแนละ้วข้าก่อนใช้มือถือรูปมันเต้นนะหลวงพ่อเทศเจตน์นะี่หลวงพ่อแทบจนะนะนะมันเต้นตลอดเลย ครานี้พวกสัญญาณมือถือคงไม่กวนเราแล้วใช่ไหมค า, าก่อนต้องบอกพวกเราต้องปิดมือถือครานมคงไม่ต้องนะแต่อย่าเปิดเสียงมีอยู่เทศไปพระธาตุกดแก้วครั้งแรกกำลังเทศอยู่ในนี้โทรศัพท์ดังกวน ได้เคเบิลมาไม่ให้คนในวัดเล่นนะสะรวนไม่ต้องให้ p สเ s ิร์ดคนในวัดเพราะวัดหลวงพ่อไม่มีนะโยบายให้เล่นเน็ตเอาไปใช้อันนี้เป็นเน็ตของมูนิธิไม่ใช่ของวัดคนในวัดจะไปใช้ไม่ได้มันขโมยครับ ที่ต้องเข้มงวดเพราะว่าอย่างพระถ้าเล่นเน็ตนะหลวงพ่อพไม่เคยเห็นองค์ไหนภาวนาได้เลยพระเล่นเน็ต <c oughs> ฟุงส่านเ <c oughs> มื่อก่อนมีแค่มือถือห <c oughs> ลงตามหาบัวท่านยังเรียกเทวทัตมือถือนะเทเล็กเทวทัตเลยนี่ <c oughs> ถ้ามาเจอรุ่นนี้เขานะ <c oughs> เล่นกันหนักกว่ามือถือทำรรมกังรลาสมัยก่อนอีกเล่นอุตรุดเลยยังภาวนาไม่ขึ้นนะพระไม่ต้องเสียใจนะหลวงพระไม่ได้ให้เล่นเน็ตนะเอาไว้ได้อนาคาล้วอยากเล่นจะให้เล่น <c oughs> <c oughs> มันปลอดภยอัยนะเห็นถึงจุดที่ปลอดภยัยเดี๋ยวเปิดไปมีลูกโป้งรูกโ ป, ปอ๊ปป อ, อะไรอย่างนี้นะพระเสียมน ให้ยมเสียไปข้างเดียวพราจะเสียเมื่อเช้าฟังรู้เรื่องไห ม, มเมช้าเทศง่ายง่ายไหมหรือยากใช้ใจธรรมดาไปรู้กายรู้ใจรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพื้นฐานไหมอย่างเช่นรู้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้า รู้ได้ใจธรรมชาติธรรมดาหายใจออกมีความรู้สึกตัวหายใจเข้ามีความรู้สึกตัวไม่ชอบหายใจจะรู้ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวมันก็ภานาได้ทั้งวันละเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวนี่ก็รู้สึกได้ทั้งวันละ จิตใจเรามีความสุขจิตใจเรามีความทุกข์จิตใจเราเฉยๆถ้ารู้สึกได้ก็รู้สึกได้ทั้งวันละรู้สึกตัวได้ตลอดนี่เมีสติตอดนื่ต้องหรือใจเราโกรธเรารู้ใจเราไม่โกรธเรารู้ใจเราโลภใจเราไม่โลภเรารู้ใจเราหลงใจเราไม่หลงเรารู้ใจหลงไปคิดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้แต่การดูจิตดูใจนะควรจะมีเครื่องอยู่ ของจิตสักอย่างหนึ่งจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วจิตเราไปแอบทำอะไรเราคอยรู้เอาอย่างนั้นจะดูง่ายถ้าไม่มีเครื่องอยู่เลยนะไปดูจิตตรงๆนี่กำลังเราไม่พอหลวงพ่อทาได้พวกเราทาไม่ได้หลวงพ่อทาสมาธิมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบทําสมาธิ2ี่สิงปีได้สมาธิ เจอหลวงปูด่ดูลทศานสั่ให้ดูจิตดูจิตตรงๆเลยไม่ต้องมีเครื่องช่วยอะไรเลยดูตัวจิตทำงานไปดูได้ดูได้อยู่สองปีกำลังสมาธิที่เก็บไว้ยี่สิบปีหมดใ ช, ใช้ไปใช้ไปบอปีเนี่ยเอามาใช้ได้ปีหนึ่งแต่ถือเป็นสถิติไม่ได้นะเพราะาเก็บตัวอย่างของคนเดียวเอง ไม่ใช่ได้ได้ไม่นานสมาธิไม่พอนะดูไม่ได้ล้ดูไม่ได้ดไไดใจไปโล่งไปว่างอยู่ข้างนอกเฉยๆจิตลงไปทำสมถะนะแต่ไม่รู้ตัวคิดว่าเรายัางปฏิบัติอยู่ยันลงตามมหาบัวท่านแก้ให้เ น, นี <c oughs> ท่านให้บอกท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตรงนี้สำคัญมากอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ หลวงพ่อเอ๊ะท่านให้บริกรรมเราพุโทโธพุโทโธนะอึดอัดจิตไม่ชอบพุโทโธก็เฉลียวใจขึ้นมาทําไมท่านจะให้พุโทโธจิตเราไม่ตั้งมัน่นหลวงพ่อกลับมาหายใจเลยไม่ได้พุโทโธอย่างท่านหรอกเพราะหลวงพอ่อ ฝ, ฝึกหายใจมาแต่เด็กแต่เราทิ้งการหายใจไปสองปีแนละเสียเลยเดี๋ยวเากลับมาหายใจไม่กี่ครั้งแล้วจิตก็รวมถึงฐานปฏิบัติต่อได้อีกแล้ว นีอย่างพวกเราเร า, เราหายใจไปหรือพุดโธไปเรื่อยๆนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันแอบไปทําอะไรพุโทโธพุโทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันอย่างเงี้ยพุโทโธไปจิตโกรธขึ้นมารู้ทันนะพุโทโธไปจิตโลภขึ้นมารู้ทันพุโทโธอีท่าไหนโกรธพุโทโธพุทโธแล้วจิตไม่สงบเลยมโมโหะ เนื้อพุโทโธไปแล้วจิตสงบสบายชอบยินดีพอใจมีราคะโลภเนื้อพุโทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหายใจไปล้วก็รู้ทันจิตไปคอยรู้สึกว่าจิตใจเรารู้สึกอะไรคอยรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่จะไปดูจิตตรงๆไม่มีเครื่องอยู่เลยเนี่ยนะกำลังสมาธิเราอาจจะไม่พอ เป็นแต่คนซึ่งเล่นสมาธิมามังมาก็ดูจิตตรงๆได้ฉนะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กัล่ลมหายใจอยู่กับพุโทโธอะไรนะแล้วจิตหนีไปรู้สึกจิตหนีเรารู้สึกนะอันนี้เป็นวิธีที่หลวงตามหาบัวสอนคุณแม่จันดีนะคุณแม่จันดีท่านฝึก่องเนี่ยท่านบอกท่าน ท่านได้ถามหลวงพ่อวาท่านอาจารย์ภาวนาอย่างไรจิตมาลงที่เดียวกันจิตลงที่เดียวกับท่านเลยบอกหลวงพ่อหายใจมีสติรู้การหายใจเนกระทั่งลมหายใจระงับปเป็นแสงแล้วจิตเราเคลื่อนไปจากแสงเรารู้จิตเคลื่อนไปจากแสงเรารู้ท่านบอกถ้านั้นหลักเดียวกั น, นแต่ท่านไม่ได้ใช้การหายใจท่านใช้พุทธโธ นะพุทโธพุโทโธเนะี่ยจิตเคลื่อนเรารู้พุโทโธจิตเคลื่อนเรารู้งั้นหลักสําคัญนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วจิตเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันไวนะจิตเคลื่อนเรารู้อะไรเงี้ยถ้าตรงเคลื่อนเรายังไม่รู้นะมันก็จะเกิดจิตโลภจิตโกรจิตหลงอะไรขึ้นมาก็ค่อยรู้ตรงนั้นก็ยังดีดีกว่าไม่รู้เลยเนะีนะ่ยค่อยๆฝึกนะอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆฝึกไป <c oughs> เวลาเรานั่งรถไปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนขับเป็นคนขับต้องสนใจโลกข้างนอกนะเป็นคนขับจะมาฝึกสมาธิให้จิตรวมอะไรเงี้ยมันจะรวมไปเจอโย ม, มาบาล น, นะลืมตาขึ้นบางทีแทนที่จะเห็นจราจรนะ <c oughs> หเห็นโย ม, มาบาลแทน <c oughs> งั้นเวลาขับรถอะไรเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆมีงานต้องทำงานของเราคือการขับรถต้องดูข้างนอก สติอยู่ข้างนอกสมาธิจดจอ่ออยู่รอบตัวเรานะมีสติมีปัญญาทําไงจะเอาตัวรอดได้เราฝึกเราเรืยๆนะใช้ให้ถูกเวลาที่เราอยู่ของเราลําพังหรือเราเป็นคนนั่งรถเราไม่ใช่คนขับอะไรเงี้ยเราพนาได้เต็มที่ะจิตจะรวมก็ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อย ถึงขราวขับขันขาวจวนตัวนะสิ่งที่เราฝึกมันมมาช่วยตัวเราได้ <c oughs> ตอนนั้นหลวงพ่อหัดขับรถใหม่ๆพาคุณแม่ฉีไปเที่ยวตอนนี้นยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่เธอเรื่องไปพายายฉียเที่ยวไม่ใช่ยังไม่ได้บวชทั้งสองคนแหละ <c oughs> จะไปดูนกปักห่างที่วัดอะไรวัดไผ่ล้อมขับรถไปไม่เคยขับรถไปบ้านนอกนะ อยู่แต่ในเมืองไปเจอสะพานหัวตัดแบนๆนะใครเคยเจอไหมวิ่งไปแล้วข้างบนแบนแ ต, แต่ๆเลยแต่นี่จะโค้งๆเราวิ่งมาเต็มเหนี่ยวเลยสบายมากร้อยกว่า <c oughs> <c oughs> เราเรารู้เลยว่าเหินฟ้าเป็นยังไงนะสี่ล้อเนี้ยพ้นจากถนนเลยนะ <c oughs> หัวเนี้ยกระแทกเพดานรถน <c oughs> มองมาไปข้างหน้านะห่างอีกไม่มากนะ ถนนเลี้ยวหักอย่างนี้เลยสอบนะทำไงจิตมันไม่ตกใจนะกระเด้งกันไปเงียถ้าเป็นคนอื่นกรีดนะี่ตายขาดทีนะ่นี่จิตไม่ตกใจเลยจิตถอดออกมาเป็นคนดูเหยียบเบรกสุดลิ้นเลยแทบเปรกเครื่องดับกลางอากาศเลยพอนะตกลงมาแล้วปล่อยเบรกนะรถมันก็ช้าลงไป เปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยแนละในเวลาที่ช่วงที่ลอยตรงนี้ยทําไปตั้งหลายอย่างเหยียบเล็กลดเกียร์สมัยโน้นรรมีเกียร์ธรรมดาเกียร์เดี๋ยวนี้รดยากสมัยโน้นใช้เกียร์เพลย์มือลองมานีมันคลื่นเลยดังลั่นเลยเลี้ยวไม่ควาําไม่เป็นไร ถ้าเราฝึกน่ะสติให้มันอันตโนมัติเกิดอะไรขึ้นไม่ตกใจแล้วมันจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาเอาตัวรอดได้ไปเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลต่อกันสี่เดือนกว่าแล้วเว้นมาเดือนกว่าๆไปเข้าอีกเดือนหนึ่งแล้วเดือนหลังเนี่ยแสนสาหัสเลยอยู่ห้องปลอดเชื้อเป็นห้องเพรชเชอร์ เขาอัอากาศเข้ามาตลอดเวลาเหมือนเราอยู่ในที่ที่ลมแรงๆตลอดนะอุณหภูมิยีิบสองสิบเก้าถึงยิบสองขึ้นลงอยู่ตรงเนี้ยอ้หหนาวอยู่งั้นนะทั้งวันทั้งคืนแดดออกนะต้องไปนั่งตัดแดดมันก็ไม่ยินไอ้มันไม่อบุ่นอนะ่ะมันไม่พอเราอาศัยการทนนา <c oughs> ตั้งใจเลยเราจะออกจากโรงพยาบาลวันเนี้ย <c oughs> ตั้งใจไปเลยน <c oughs> ะปกติถ้าเข้าไปปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่จะอยู่เดินครึ่งหลงพ่ออยู่ยี่สิแปดวันเรารู้ว่าถ้าอยู่อีกวันหนึ่งเราจะป่วยแล้ว <c oughs> มันทรมานมา ก, กนหนาวแล้วกท็ทั้งคืนทั้งวันเลยนะเข้ามายุ่งกับเราตลอดพยาบาลเนี่ยก็มาเปิดหน้าอกนะล้างท่อล้างอะไรเนี่ย ผ่าไว้เยอะแยะเลยเราตั้งใจจะออกให้ได้ก่อนวันที่จะเด็ดลายที่เรากำหนดมาเองเราก็อธิษฐานวันนี้ขอให้หมอมาถอดใสายให้เราให้พาเราไปถอดสายนี้สถกทีเราจะเลิกแล้วหมอก็ใจดีนะอยู่ๆก็ไปถอดออกไปถอด ตั้งใจแล้วเนี่ยขอให้ได้ออกวันนี้นะนะเพราะว่าถ้าอยู่อีกวันหนึ่งจะป่วยแล้วป่วยตอนนี้ไม่ให้ออกแล้วนี่ใช้การอธิษฐานเอาไม่ได้มีอิทธิฤิ์อะไรนะเป็นการอธิษฐานจิตเอางัเวลาเราฝึกนะเรามีศีลเรามีธรรม ประจำตัวเราเนี่ยเวลารับขันเวลาชวนตัวเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเราเหมือนกั น, นเคยเห็นครั้งแรกเลยนะนั่งรถไปบันตัดนั่งรถตู้ไปกับพวกที่โหทีเนี่ยตอนนั้นเราไม่เคยไปกับทีมนี้ไปกับแม่ชีด้วยตอนนั้นยังไม่ได้ปวนนะต้องย้ำก่อน ให้นั่งหลังสุดเลยนั่งอยู่ตรงลูกหลอต้องยกขาไว้ข้างหนึ่งเคยเห็นหมาตอนฉี่ไหม <c oughs> ยกขาไว้ข้างหนึ่งเนี่ยทั้งคืนเลยเนะไปถึงบ้านตาลก็ยังเดินได้เสร็จแล้วนั่งจากบ้านตาลเนี่ยไปผูสิงวิ่งทั้งวันเลยถึงภูสิงเย็นเรานั่งรถเนี่ย ยิบสี่ช่มงอยู่ในท่าเดียวเลยลงจากรถเนี่ยกล้ามเนื้ออักเสบก้าน้นออักเสบปวดมากนะใครเคยเป็นกล้ามเนื้ออักเสบบ้งางยกมือสิมีไหมเรามีเหมือนกันคระเด็กก็ปวดนะนี่พอลงไปที่ผู้สิง <c oughs> ครูบาอาจารย์ดังนั้นท่านรู้จักหลวงพ่อท่านเลยบอกให้ไปอยู่ปุฏิพระอยู่เชิงเขา อยู่กุฏิละไม่ต้องอยู่ศาลาที่คนอื่นอยู่กันน้าอยู่บนกุฏินะเรานั่งตัวตรงไม่ได้นะนอนก็ไม่ได้ปวดนั่งตรงๆก็ปวดนอนก็ปวดต้องนั่งตะแคงอยู่ได้ท่าเดียวแล้วเรารู้เลยว่าถ้าอยู่ทา น, นี้ถึงพรุ่งนี้นะต้องพิกลพิการเยิ่งแย่กว่าเก่าอีกนะเราทําไงเราไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองเลย ย่าแก้ปวดเซมิหนึ่งยังไม่มีเลยห mm. ลวงพ่ออธิษฐานเนี่ยบอกว่าเ mm. นี่ยเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่ามานานแล้วว่าที่ภูเขาเนี่ยมีเทวดามีฤทธิ์นะเรามาปฏิบัติธรรมเรามาหาความดีใส่ตัว mm. สร้างบุญสร้างกุศลไม่เคยมาเบียดเบียนใครไม่คิดเบียดเบียนๆๆใครนะงั้นถ้าช่วยได้ให้ช่วยด้วย ถ้าพอช่วยได้ให้ช่วยได้ <c oughs> ว่าที่ทางจบน่ะตะเกียงมีตะเกียงแบตเตอรี่อยู่ดวงเล็กๆวางไว้ข้างหน้าเนี่ยมันสว่างนะวาบวา บ, วงง เ, บเนี่ยสองทีเราบังหงอะไรตะเกียงจะพังอันเนี้ยสวยซ้ําซ้อน <c oughs> <c oughs> ตัวก็ยังเดี้งอยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มีตะเกียงอยู่ดวงเดียวยังพังซะอีกน ะ, ะไ่ไหออ้องน้ํงนำจะไปไงทีเนี้ย เนี่ยไปหยิบตะเกียงขึ้นมาดูไม่เห็นอะไรเสียเลยนะแล้วก็เพิง่งได้ว่าตัวตรงแล้วหายปวด ท, ทันทีเลยสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นนะมันก็พูดยากไม่ใช่ความเชื่อส่วนบุคคลไม่เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลไม่ใช่ความเชื่อครูบาอาจารย์ท่านก็บำบาวิธีนี้นะ พาไปเล่าให้ตอนฟังถวายให้ท่านฟังไท่านก็บอกสมัยท่านท่านก็ทำกันแบบนี้แหละเรามีศีลของเราให้ดีเราตั้งใจปฏิบัติธรรมสร้างใจสร้างความดีนะจวนตัวขึ้นมาเราอธิฐานไม่ต้องมีคาถาอาคมอะไรหรอกนะพูดภาษาไทยนี่หละอธิฐานเราถ้ายังมีบุญอยู่นะนเขาก็ช่วยได้เขาก็ช่วย ถ้าเราไม่มีบุญเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะจริงๆไม่มีใครช่วยใครได้จริงอยู่ที่กรรมนี่เราไม่ได้มีกรรมชั่วอะไรสนะ่วนตัวขึ้นมาเราขอความช่วยเหลือกันได้สนุกไหมเรื่องอย่างนี้เรชอบคือ <c oughs> จริงๆมีเยอะเลยแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เล่าเมื่อก่อนคนมันคอยจับผิดนา เดี๋ยวนี้ไม่กลัวมันจับผิดแล้วเราศึกษาพระวินัยมาต่องแทนแล้ว <c oughs> รู้สึกตัวเมื่อกี้ใจไม่รู้สึกรู้สึกว่าลงแทบทั้งห้องเลยชนะิ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดใจงนันใะจหมกมุน่นหมกมุ่น หัวก็จะหมุนนะมากๆก็เวลาคิดมากๆหัวหมุนไหมรู้สึกหัวหมุนไหมเวลาคิดอะไรหนักๆเนี่ยมึนงงทําไมหัวหมุนใจมันหมุนใจมันหมุนมุนมนนี่ยมันเหมือนสะกดเนาหัวอะไรหมุนไปด้วยหัวจริงๆยังอยู่เฉยๆนะแต่มันรู้สึกเวียน พยายมฝึกนะมีสติรู้สึกตัวไปมีเครื่องอยู่ของจิตจะอยู่กับการรู้สึกร่างกายก็ได้รู้สึกเวทนาก็ได้รู้สึกจิตก็ได้ถ้ารู้สึกจิตก็หาเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งพุทโทรหรือหายใจก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตเอาจะช่วยพวกเราซึ่งอินทรีย์อ่อนนะจะได้ทําได้ถ้าอินียแก่ นะดูจิตตรงๆเลยจิมทำงานโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงและไม่หลงนะถ้าทำไม่ได้ก็หาเครื่องอยู่อยู่พทุทโธลมหายใจจิตหนีเรารู้ฝนะึกนะจะได้ของดีของวิเศษเวลาจวนตัวขึ้นมาก็ได้ใช้ได้สารพัดเลยอยู่ที่ความฉลาดของเราว่าจะใช้อย่างไรเอาต่อไปส่งกันบ้านเอ๋ จิตจะแส่สายเคลื่อนที่ออกไปเหมือนเกือบตลอดเวลาจิตไม่ตั้งไม่ถึงฐานดูออกไหมค่<ฮ>ะไม่ทีจะให้จิตเข้าฐานเนี่ยนะอย่าไปดึง <ฮะ S 2> ถ้าดึงแล้วจะแน่นนะเอาความรู้สึกตัวของเราจับไว้ที่ลมหายใจข้างนอกจับไว้ที่ข้างนอกแล้วหายใจเข้ามาใจเข้ามาความรู้สึกมันก็จะกลับเข้ามานะและใช้ กายเป็นเครื่องอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางครั้งมีต้องมีพุโทโธกํากับเพราะว่าเหมือนสมาธิไม่พอกำลังไม่พอค่ะใช่แต่เวลาจิตไหลออกไปอย่างนี้นะเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจนะแล้วหายใจเข้ามาสักสองสามทีนะมันก็เข้าแล้วล่ะไม่ยากหรอกรู้สึกไหมเข้ามาแล้วก็ภาวนาทุกวันเดินจงกรมสวดมนต์ทุกวันเจ้าค่ะดีขึ้นะ แต่จิตไม่เข้าฐานดูออกเปล่ออะหายใจไม่ใช่หายใจแล้วบังคับจิตนะนย่างถ้จิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็รู้ว่าจิตอยู่ข้างนอกนะเะาหายใจเอาเหมือนจิตอยู่ในลมเนี่ยหายใจเอาจิตเข้ามาจิตนม่เข้าโดยที่เราไม่ได้ดึงถ้าดึงเราจะแน่นค่ะะแต่วิธีนี้หายใจสักสองสามทีพอนะอย่ามากถ้ามากเราจะแน่นอันนี้เป็นอุบาย ไม่ใช่หลักถ้าหลักก็คือจิตอยู่ข้างนอกรู้ว่าอยู่ข้างนอกเข้าทีถ้าจิตเรามีกําลังพอถ้าจิตเราไม่มีกําลังรู้ว่าอยู่ข้างนอกมันก็อยู่ข้างนอกนั่นแหละนะะคมันไม่เข้าถ้าจิตมันอยู่ในตัวมาสการครับผมผมติดนิ่งติดเฉยมานานครับ<น>เออเธอนิ่งเฉยก็รู้สึกร่างกายไปครับผมแต่เวลาผมเดินเลยผมต้องเหมือนแต่ต้องเตือนตัวเองว่า กายเดินอยู่ใจดูไอะสอนมันไปงั้นเลวมุมเมื่อคืนกะนั่งถึงเช้ามันมันไม่ไหวครับผมอืมพอช่วงขยับขาเนี่ยมันเหมือนเห็นขามันไม่ใช่เราแต่มันเห็นเห็นขามันไปทางหนึ่งพอมันรู้สึกตีขามาอยู่อีกทางหนึงมันเหมือนเห็นสองขามมันผิดปกติไหมครับผมไม่ผิดแล้วอะไรแต่จิตมันจะพิสดานแล้วเวลาตอนนอนอยู่ไม่ได้ห่มผ้าผม พอรู้สึกตัวมันสั่นมากเลยครับมันไม่รู้สึกว่าหนาวแต่มันรู้สึกว่าสั่นต้องมาหาพระองค์ครับอขอดีแล้วแล้วพอพอมารู้สึกว่าปลอดบวมมันรู้สึกทีมันรู้สึกว่าตอนนั้นเราสั่นเฉยเฉยโดยที่เหมือนเรารู้สึกมันรู้สึกเลยมาแล้วอรับมันมันถูกหรือไม่ถูกครับผมมันเป็นยังไงก็ได้รู้อย่างที่มันเป็นนะแล้วพอผมพอจะมาถูกทางบ้างไหมครับห้ามชิดเยอะนะ อย่าคิดฟุ้งไปคิดวีกฤตหาเห็นผลอลไรเสียเวลารู้ความรู้สึกเป็ซึ่งซึ่งหน้านั่นและแล้วคุณจะรู้กายหรือรู้ใจดีครับรู้อะไรได้เอาอันนั้นแหละอันไหนมันก็สอนใจรับที่เราต้องการรู้หรือใจรับนะตอนนั่งสมาธิเวลาที่เราเห็นแสงแล้วเราต้องอยู่ที่แสงแล้วไม เ, เวลาเห็นแสงแล้วรู้ทันจิต จิตพอใจรู้ว่าพอใจจิตไหลไปอยู่ที่แสงรู้ว่าจิตไหลไปไม่ใช่รู้แสงนะครับรู้แสงมันรู้ออกนอกหลวงพ่อระหว่างวันก็มีภาวนาอยู่บ้างครับไม่รู้ว่าใช้ไดยเปล่าครับใช้ได้ต้องทําอีกครับทําน้อยครับทําน้อยไปครับทำบ่อยๆทํำอย่างที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละรู้สึกกายรู้สึกอะไรก็รู้สึกไป เคยติดเพ่งแบบเพ่งเครียดครับคลายออกแล้วล่ะไม่ไม่เครียดเท่าเก่าแล้ ว, ลวตอนนีพ้พอจะมีสติจริงๆได้หรือยังรครับก็พอมีแล้วล่ะอย่างพอเราเครียดเรารู้ว่าเครียดก็คือมีสติรู้ทันนะอยากจะหายรู้ว่าอยากนั่นก็มีสติรู้ทันนะรู้ลงปัจจุบันได้รู้สภาวะได้เขาเรียกว่ามีสติแล้ว ว่าไงแน่นแน่นเลยค่ะอะไรนะแน่นแน่นกลวัวอ๋อกลัวกลัวรู้รว่ากลัวแล้วแล้วไงอะ่ะคื อ, อยังพวกวันนี้ยังภาวนาด้วยความอยากดีอยู่ค่ะรู้ทันก็ใช้ได้แล้วน ะ, นะแต่ว่าจะรู้มันเหมือนมันยังไม่เข็ดนมันต้องไม่เป็นไรรู้แล้วรู้อีก <นะ S 1> รู้จนจิตมันชํนานาญพอจิตมันชํานาญแล้วสติมันจะเกิดเอง จะรู้ได้เร็วไม่ใช่เพราะว่าดื้อโง่เกินไปไม่ใช่ พ, กกชพวกดือพวกครูบาอาจารย์สอนให้ทํำอย่างนี้กูไม่ทําหรือกูจะทําทอย่างนี้อะไรเงี้ยเอาหนูฝึกไปทําอีกอ้าวส่วงกันบ้านเดี๋ยวพี่ไว้วันนี้นักศึกษาอาจารย์ครับมผมมาการาบอาจารย์เป็นครั้งแรกครับอ ฟังฟีดีมาสามเดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังเห็นครับเออเห็นสติมากขึ้นเห็นใจมากขึ้นนั่นแหละทำถูกแล้วนะครับอาจารย์ครับผมมีข้อสงสัยครับคือบางครั้งเวลาเราดูจิตเราเห็นอารมณ์บางอย่างแวบเข้ามาอืมแต่ใจมันจะภาคมันจะพยายามจะรู้ว่านั้นคืออะไรห้ามไม่ได้ครับแล้วเราจําเป็นต้องรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรหรือแค่รู้ไปก็พอมันคิดไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าจิตมันอยากรู้มันก็ต้องค้นกว้าห้ามมันไม่ได้ครับ แล้วเวลานั่งนั่งสมาธิในรูปแบบตอนกลางคืนครับอบางครั้งเหมือนแวบหนึ่งเราเราไม่รับรู้ถึงการหายใจคือผมจะรับรู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าหายใจออกโดยที่ไม่ได้บริกรรมอืแต่บางครั้งมันเหมือนมันหายไปแล้วมันไม่รู้จักจักจะยึดอะไรหรือ จ, จับอะไรที่จริงแล้วพอภาวนาพอละเอียดเข้าน้ะมันก็หายไปอารมณ์ที่มาล่อให้จิตสงบอะ ก็เหลือแต่จิตเด่นดวงรู้ตัวอยู่เฉยๆครับทำถูกแล้วละที่หลวงพ่อเรียกเพาว่าเห็นสองจิตสองใจอยู่อยากส่งกันบ้านบ้างนะก็ยังไม่แน่ใจจะส่งดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะใช่ครับอาจารย์ครับกเลยเรียบซะเลยยักยักนักหมั่นไส้กลบขอบรุณงครับอาจารย์ครับอ้าใครจะส่งเบอร์สอง เบอร์สามสิบสามเบอร์เ็สปสสยี่สเอร์สมิบสองเแปอ่ะท่านีก่อนนะเบอร์สองว่ามน่สงใหมไปตาง่นเอร์สองเขาเด่นเดียวมากในการชูป้าย สักการคะหลวงพ่ อ, อหนูหนูเห็นไหวๆกลางอกมาสักพักใหญ่แล้วช่วงนึงที่หนูรู้สึกว่าเราอยากรู้เราก็เลยไปแช่กับมันแล้วแล้วตอนหลังก็ก็พยายามที่จะไม่แช่กับมันแล้ว แล้วเราก็ไม่รู้สึกถึงไววอีกเลยจนมาสักสองสองอาทิตย์นี้ อ, อาการไวมันกลับมาให้เราเห็นอีกอแต่ว่าใจอะค่ะ ม, มันกลัวว่าจะไปแช่อีกมันก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากลัวหน้ า, า, าที่เรารู้ปัจจุบันนะค่ะฉั้นความกลัวเกิดขึ้นรู้ว่ากลัวนั่นใช้ได้แล้วนะไวจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่มันค่นะ ไม่เห็นความหไหวมันก็เห็นอย่างอื่นใช่ไหมไม่รู้จะดูอะไรก็ดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันมีให้ดูจนได้แนละ้วงั้นไม่ต้องตกใจว่าไหวายหายไปค่ะถ้ามันเคยเห็นนะถ้าเราไม่เจตนาเนละี่ยมันก็จะเห็นถ้าจงใจจะเห็นมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่า ส, สติไม่เกิดแต่กิเลสมันเกิดคืออยากเห็นกับ เคยฟังว่าส่วนใหญ่ถ้าเขาเห็นไหวๆกันแล้วเขาจะทุกข์กันแต่หนมไม่ได้รู้สึกทุกข์หนูดูผิดใช่ไหมคะไม่ผิดแต่ดูไม่พ อ, ด, พอดูไม่พอ่ดูไมพอถ้าเห็นไหวๆทั้งวันทั้งคืนนั้นะอุ้ยทุกข์ที่สุดเลยไอ้นี่นานๆเห็นทียังไม่เป็นไรหรอกะนะยังสนุกอยู่ยังอยากเห็นอยู่ต่อไปมันเห็นเองโดยที่ไม่ได้อยากเนะ่ยแล้วเห็นทั้งวันทั้งคืนคราวนี้แหละจะรู้เลยว่าทุกข์เป็นยังไง <c oughs> ยุงมันพยายามมาคุยกับหลวงพ่อมาพูดใส่หูเราเบอร์สามสิบสามอยู่ที่ไหนนอนข้างๆกันกลับหลวงพ่อคะ่ะไม่ได้คุยกับหลวงพ่อมามันเกือบสองปีแล้วลคะ่ะชีวิตหนูเปลี่ยนเยอะมากอืม <c oughs> ก็เปลี่ยนดีหรือเปลี่ยนเร็วล่ะ <c oughs> หนูก็ไม่รู้ว่าภาวนาหนูตรงลงหรือไม่แต่แบบ หนูไม่ค่อยมีเวลาทาสมาธิเลยเพราะงานมันหนักมากมแต่ว่าหนูก็พยายามอยู่ในพยายามอยู่ในในสิ่งที่หนูตั้งใจเวลาเรานะต้องทำงานนะเราก็ตั้งใจทำไปแล้วพอกิเลสมันแทรกเข้ามาเราก็ค่อยรู้เอาอย่างเบื่องานห ง, งุดหงิดกับคนร่วมงานอะไรเงี้ยค่อยดูเอาแล้วเวลาที่ทำงานเสร็จแล้วเราก็ดูของเราต่อถ้าดูจิตไม่ได้ เพรมันเหนื่อยแล้วดูร่างกายไป <ฮะ S 1> เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินอย่างเงี้ยไปอาบน้ําอาบท่านะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจทําใจสบายๆเดี๋ยวพุกลับมารู้สึกได้อีกค่ะทีนี้พอมันแบบพอมันกลับมารู้สึกนะคะหลวพอ ม, มันมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบหนูนั่งทํางานแล้วเหมือนมันสมาธิเข้าไปเองอ่ะค่ะอืมันเห็น viel. มันไม่เคยเห็นอย่างี้คือมันเห็นแบบการหายใจของตัวเองคือ ม, มันเห็นแบบ หัวใจเต้นเต้นละเอียดมากจนหนูแบบคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอืไม่เป็นหรอกแต่หนูแบบห น, แบบหนูก็เลยไปหาหมอแต่ก็หมอบอกโอเคแบบไม่มีความผิดปกติหนูกลับมาแล้วหนูก็ทั้งวันเลยค่ะหนุ่มพ่อหนูทํางานไม่ได้เพราะว่าแบบพอนั่งทํางานพอมีสมาธิมันก็มีอาการแบบนี้อืมเวลาเราจําเป็นต้องทํางานเราก็อย่าไปดูตัวนี้นะจดจ่อกับงานเลยไอ้นี้เรากังวล ม, มากไปมันก็คอยวกไปดูเรื่อยๆ มันไม่ใช่ผิดปกติอะไรหรอกคะ่ะนี่เราคึกว่าแหมผิดปกติแล้วว่าหัวใจเราพิการแล้วอย่างเงี้ยมันก็คอยระวังระแวงคะ่ะงานการก็ไม่ได้สักทีถ้าเป็นโรคระแวงมากเนี่ยให้ปรึกษาผู้ชายที่นั่งพิงเสาข้างหน้าหนูอะขอบคุณครับปรึกษาหมอท็อปบอร์สิบเจ็ดหลวงพ่อมีคำแนะนำหนูไหมหรือจะทุบก็ลกหนูไหม หนูก็ฝึกของโนไปเถอะนะกลับครบพระคุณค่ะเมื่อสิบเจ็ดอยู่ที่ไหนกลับหลวงพ่อครับคั้งที่เล้วหลวงพ่อให้ดูกายครับอืมก็ดูดูอยู่ครับอยากถามว่าต้องไปทำยังไงต่อครับรู้สึกไหมสติเราดีขึ้นอนะครับผรู้สึกไหมสมาธิเราดีขึ้นรู้สึกครับอาศัยกายไปนี้แหละแล้วต่อไปมันก็เห็นจิตชัดเองแหละเรารู้กายแล้วมันจะมารู้จิตนะ เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะครัี่อาศัยกายเนี่ยมันจะเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นมาครับจะทําให้เห็นจิตชัดไปดูต่อไปทําถูกแล้วล่ะขอบคุณครับรู้ไหมว่าทําถูกบางที่รู้สึกก็มีแรงแต่บางวันก็แรงหายไปไม่เป็นไรตรงนั้นอะดีแล้วถ้ามันเที่ยงทุกวันน่ะอันตรายนะจะเห็นผิดครับว่ากลายเป็นว่าเราเก่งเราบังคับได้อย่างนี้ยเราเจริญเจริญอยู่ดีๆแล้วก็เสื่อม อย่นั้นแหละดีเบสิบแปดอยู่ที่ไหนนี่อยู่กลางห้อง <Okay. S 1> มาสักการหลวงพ่อครับผมไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณ2องถึงสามปีครับเลยจะ mm hmm. ขอาการให้หลวงพ่อดูว่ายังอยู่ในในร่องในรอยหรือเปล่ามันต้องดูตัวเองนะอยู่ในร่องรอยหรือเปล่าครับว่ามาซิอยู่ไม่อยู่ คือตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยอยู่ว่าฟุ้งออกไปนิดหน่อยฮะฟุ้งเรารู้ไหมบางครั้งรู้ครับรู้ว่าตรงที่รู้นั่นแหละอยู่ในร่องรอยครับจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใช้ได้ครับถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้นันใช้ไม่ได้ครับดีขึ้นไม่ใช่เลวลงครับไปฝึกอีกทําอย่างนี้ต่อไปใช่บนะแต่สนใจคอยนึกถึงกรรมฐานของเราเรื่อยๆครับเบอร์สิบสาม อยู่ที่ไหนการนับชการเจ้าค่ะ ม, มีแทรกแสงอยู่เจ้าค่ะดีที่เห็นกราบขอการบ้านเจ้าค่ะอะไรนะกราบขอการกบ้านเจ้าค่ะอ๋ อ, อก็ไปดูต่อแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมจิตมันอยู่ข้างนอกจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมเจ้าค่ ะ, ะหายใจไปหายใจแล้วรู้สึก หายใจแล้วรู้สึกตัวสบายๆบย อ, อ, อย่างนั้นนะใจสบายอย่างนั้นนะคยรู้สึกเรื่อยๆเห็นไหมร่างกายนี้เป็นโพรงเป็นถ้าที่จิตมาอาศัยอยูนะ่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจิตใจก็เที่ยวเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดจิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงนะมีแต่ของแ ป, ปรปลว น, นียดูอย่างนี้ดูกายก็ไม่ใช่เรานะเป็นโพรง ดูจิตใจก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงดูอย่างนี้เรื่อยๆไปทำต่อไปเจ้าค่ะไปยี่สิบยี่สิบอยู่ที่ไหนนออ้ออว่าไงนามัส ก, การครับตรงพออะไหมอไม่เจอนานจิตไม่ถึงฐานครับจิตไม่มีแรงครับมผมยังออกนักนอกอยู่ครับผมอ่าขยันดูหรือเปล่าละ ไม่ขยันเลยครับเราะนะเนี่ยเราเจอต้นเหตุแล้วรับผมเราก็ขยันสิขับนะดูตัวเองบ่อยๆนะอย่าดูคนอื่นดูคนอื่นแล้วเกิดกิเลสดูตัวเองเกิดกุศล ร, รู้สึกตัวไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้หลักอยู่แล้วละไม่ทำเอารับลองทำเยอะๆหน่อยจิตไม่เข้าบ้าน ร, รู้สึกไ้มจีอยู่ข้างนอก รู้ครับผมแล้วมันไม่ยอมเข้ารู้สึกไหมก็มันฟุ้งออกข้างนอกครับเพราะว่าปีสองปีนี้เนี่ยผมปล่อยให้เขาฟุ้งมาก ม, มากครับแต่ถ้าไม่เห็นโทษเนี่ยจิตไม่ยอมเลยครับหลวงพ่อเรเริ่มเห็นยังเห็นโทษครับหลวงพ่อเรือเดี๋ยวเมื่อเข้าบ้านแล้วหายใจไปเรื่อยๆเข้าไม่เข้าก็ช่างมันเราจะหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าเองเลย <ผม S 2> เหรือฮะยังไม่จบหรือรับไป แนะนำมีเท่านี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วครับผมเท่านี้ก็เป็นพระอรหันได้แล้วสามสิบสองอย่าเพิ่งเบือ่อความทีเกียดเริ่มมาแล้วรู้สึกล่าความซึมเศร้าเริ่มผ่านเข้ามาในใจนะเนื่องจากกระเพาะกำลังทำงานนะอยู่ไหนสามสิบสอง อาว่าไปกำพรอครับอืมอาหลมอาหลมพรปรดี๋พ่อแม่เขาเสียเวลาประมาณปีกว่าก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดอแล้วก็ <c oughs> พยายามกดน้ำไมพ่อยแม่มาตลอดอท่านท่านได้บุญกุศลดีผมปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้า <c oughs> ท่านรู้ท่านก็ได้เนาะถ้านรู้แล้วอนุโมทนาก็ได้ แต่บางทีไปเกิดในบางภูมินะเขาก็ไม่ทันจะรู้สมมติไปเป็นพรหมเนี่ย น, นะกว่าจะนึกถึงเราอีกทีเราตายไปหลายชาติแล้วเหมือนกับเหมือนกับแม่จะจะอยู่ในภูมิที่ที่สูงกว่าพออ่อไม่เป็นไรนอยู่ยังไงก็ได้เพราะว่าจริงๆแต่ละคนไม่ได้ตามคู่กันไปตลอดหรอกเพราะงันบางชาติสามีขึ้นสวรรค์ภรรยาลงนรกอะไรเงี้ย แต่ส่วนใหญ่อะภรรยาขึ้นสวรรค์สามีลงนรกน <laughs> เป็นปกตินะสมพอ่อเราที่ผมปฏิบัติอยู่นี่ถูกทางแล้วใช่ไหมครับ <ś piece> ใช่ต้องทำอีกนะได้ครับรักษาะศีลให้ดีนะครับใครจะมาชวนกินโลงกินเหล้าอะไรไม่เอาเรามีศีลครับผม<ล>พ่อครับแค่เรามีศีลนะเราก็มีธรรมแล้ว อย่าเรามีศิลข้อหนึ่งนะเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเราก็มีธรรมะคือมีความเมตตาการุณานะเรามีศิลข้อสองไม่ลักไม่ขโมยใครอนะไรเงี้ยเราก็มีความสันโดษของเราพอใจที่สิ่งที่เรามีไม่ไปยุ่งของคนอื่นอะไรเงีนะ้ยเราไม่เจ้าชู้เนะี่ยไม่เจ้าชู้มีศิลข้อสามใช่ไหมเราก็มีธรรมะนะเป็นคนไม่หมกมุ่นในกามอนะไรเงี้ย ครับเนี่ยถือศีลไว้เราก็ได้ธรรมะมาเวลาเราถือศีลข้อสี่ไม่โกหกนะเราก็เป็นคนมีสัจจะเราไม่ขี้เล่าเมายาเราก็มีสติสัมปชัญญะ น, นั้นเรารักษาศีลเราก็ได้ธรรมะที่ดีๆมาตั้งเยอะนะอย่างนี้จะมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงใครก็แผ่ไปเถิดได้รับไม่ได้รับไม่สาคัญหรอก บางภูมไม่รับนะเขาเป็นเทวดาเนี่ยเราแผ่ส่วนบุญให้เขาเขาไม่ได้รับหรอกแต่เขาอนุโมทนาเอาเนาะเขารับไม่ได้เพราอะไรคล้ายๆเราเอาอาหารสุนัขอ่ะไปให้เขากินอ่ะอ่าเออครับเขามีของดีกว่านั้นน่ะเขาไม่กินแล้วให็นไหมครับ<อ>แต่เขาก็ปลื้มใจใโถโลูกเราดีนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เอาอาหารสุนัขมาให้อันนี้เปรียบเทียบกับเนาะ หลวงพ่อตอนตอนที่เรานั่งสมาธิเราจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามแล้วเราก็นึกถึงนึกถึงหน้าท่านในชาติแล้วเราก็จิตแผงไม่ตาวเลยได้นั่นแหละดีที่<ด>สุดเล ย, <ม>ยนั่นแหละดีมากๆเลยมันเชื่อมได้หมดหล่ะจิตนั้เพราะจิตนี่เคลื่อนที่เร็วนะมันเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงอีกจิตอะมันทะลุภูมิโนธภูมินี้ไปได้เรื่อยๆแต่ที่สําคัญคือพอทะลุไปแล้วต้องกลับมาให้เป็นนะต้องเข้าบ้านให้ได้ะเข้าบ้านไม่ได้เสียคนไปเลย านะการที่เที่ยวรู้ออกข้างนอกเนี่ยอันตรายนะถ้ายังไม่ได้โสดาต่อไปมันจะชอบรู้ข้างนอกแล้วมันจะไม่รู้ตัวเองมันก็เลยไม่ได้โสดาสักทีจาพอเบอร์แปดเคยมีนะเมื่อก่อนมีหมาตัวหนึ่งชื่อเหลืองพวกเราก็ซื้ออาหารเม็ดเม็ดมา มาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อท็ถามอะไรอะ่ะมาให้รับประเค้นนะบอกอาหารหมาอ อ, อ, อ, อนุโมทนานะแต่หลวงพ่อไม่ฉันหรอกให้หมาไปของที่ต้องประเค้นจริงๆนะคืออาหารที่จะกินได้เลยนั่นะ อาหารดิบอย่างนี้ยไม่ต้องไปเข้นอาหารหมาไม่ต้องไปเข้นไม้กวาดไม่ต้องไปเข้นเอามาวางไว้แล้วก็บอกว่าถวายแค่นี้พอละแลบบแปดกราบใ้มรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเธออยู่ไหนอ๋อว่าไปเอาพูดได้นนะตื่นเต้นนะตืมนเต้นพูดไม่ออกพูดไมออก พูดไม่ออกก็ไม่ต้องพูดหลวงพ่อพูดคนเดียวก็ได้นะหายใจไปรู้สึกไหมว่าไปรวบจิตเข้ามาอย่าไปดึงจิตเข้ามาแบบนี้นะจะแน่นถ้าเราจงใจปฏิบัติเมื่อไหร่มันจะแน่นนะมันผิดแล้วละ่ะถ้าแน่นอะ่ะนะปล่อยใจให้เคลื่อนออกไปสบายสบายหลวงพ่อเจ้าค่ะมันมันเป็นเองอะคะ่ะมันเป็นเองก็เสีเพราะมันเคยชิน น, นะพวกเคยฝึกกรรมฐานแบบบังคับตัวเองอยู่อย่างเงี้ย พอคิดถึงกรรมฐานที่ไหนก็อัดโครมเข้ามาทุกทีเป็นทุกคนแหล ะ, ะ, ะค่อยๆรู้สึกไปมันอัดเข้ามาก็รู้ทั น, นทำใจสบายๆมันเกิดจากความอยากจะดีะก็เลยบังคับไว้อย่างขนาดนี้บังคับจิตอยู่ดูออกไหมมันจะอึดอัดมันอึดอัดแต่ มันรู้สึกมันเป็นธรรมดาของมันนะคะโถน่าสงสารมากเลยค่ะหลวงพ่อช่วยแกะด้วยนะคะธรรมดาธรรมดาคืออึดอัดเนี่ยนะไม่เอาธรรมดาแบบหลวงพ่อบ้างหรืกสบา ย, ยาได้ค่ะออยากให้รู้ว่าอยากนะหลวงพ่อได้เพราะว่าอยากอะไรก็รู้ทันตลอดนะใครรู้ทันกิเลสไหมแทนที่จะไปคอยควบคุมจิตให้เรียบร้อยนะคอยรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนะแล้วจิตจะเคลื่อนออกมาเองเนะ กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาอย่าไปคอยจ้องนิ่งๆอยู่อย่างนี้ไม่ดีถ้ามันจ้องนิ่งๆอะทำไงดีอะวันนี้จะปล่อยยังไงเจ้าคะร้องเพลงสิร้องเป็นไหมร้องไม่เคยออกคะ่ะเห็นไหมหลุดออกมาแล้วเห็นไหม <c oughs> แค่นี้ก็หลุดแล้วอ๋อค่ะมันบางทีก็เห็นมันหลุดนะคะเรื่องอะไรอะเข้าไปเอง<ำ>อีกนะคะเออมันเคยตัว ไม่เคยคิดถึงการปฏิบัติไม่จะเข้าตรงเนี้ยเราจะมาฝึกจนเกิดความเคยชินใหม่ที่จะรู้สึกตัวไม่ได้บังคับตัวเองนะฝึกไปเรื่อยๆจนได้ความเคยชินชนิดไหมพอมันล็อกอย่างเนี้ยลืมเรื่องปฏิบัติไปเดี๋ยวก็หลุดออกมายังไม่อกี้บอกให้ร้องเพลงถ้าถ้าหลุดเลยยังไม่ทันจะร้องเลยนะงั้นงั้นตอนนี้ก็ไม่ช่วงนี้ไม่ต้องปฏิบัติเทียบฟังเพลงอะไรยี้ได้ไหมคะได้แต่อย่าให้หลงนานนะ แต่หลวงพ่อนะฟังเพลงไม่ได้หลวงพ่อจะลำคาญตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่คนใดไม่มีดนตรีการเป็นในสันดานเป็น <c oughs> คนชอบกวนนักนะ <c oughs> แต่เพลงรุ่นหลังๆเนะี่ยฟังไม่ออกไม่รู้มันร้องอะไรยันหลวงพ่อว่าตอนนี้ให้ทำไงดีเจ้าคะ่ะที่มันจะออกจากตรงนี้ได้อคะค่ะอยากออกรู้ว่าอยากเจ้าคะ่ะนะถ้ารู้ทันกิเลส น, นะ เอกสิ่งที่ทำอยู่มันก็หลุดออกมาละ <Okay. S 1> ตรงที่จิตไปติดนิ่งๆเนี่ยก็เป็นพบอย่างเนือง mm hmm. พบทุกชนิดเกิดจากปัญหาความอยากนะอยากปฏิบัติแล้วก็สร้างพบอย่างนี้ขึ้นมานิ่งๆนะอยากใหญ่อย่างงน้นอยากใหญ่อย่า ง, งนี้ก็สร้างพบแต่ละแบบขึ้นมาเวลาจะทําลายพบอันนี้อย่งจิตติดนิ่งเนี่ยเป็นพบอันนี้ยเราจะทําลายที่ตัวพบเนี่ยทํำลายไม่ได้ต้องไปทําลายที่เหตุของมัน คือตัวตันหาถ้าเรารู้ทันวัาเนี่ยใจอยากจะหลุดแล้วรู้ว่าอยากเท่านั้นเลยหลุดเลยง่ายๆตัดเนี่ยตัดที่ต้นตอ่อไม่ใช่ตัดที่ตัวมันได้อีกหนึ่งคนอยู่ที่ไหนใครคื อ, อ, อคนค<ะ>อีกอันหนึ่งนี่คนสุดท้ายแล้วคะ่ะอีกอันนึ้งก็คือเวลาหลงไปคิดบ่อยเจ้าคะ่ะที่ลงไปคิดตับมันก็ รู้สึกตัวเหมือนกันว่ามันบังคับเข้ามาบอกว่านั่นแหละนั่นแหละให้รู้ว่ารู้สึกตัวนะรู้ว่าหลงแล้วก็รู้ว่าบังคับไอ้ตรงที่รู้ว่าหลงน่ะดีตรงที่บังคับน่ะไม่ดีนะเจ้าค่ะตรงที่หลงไม่ดีตรงที่รู้ว่าหลงอ่ะดีตรงที่บังคับไม่ให้หลงน่ะไม่ดีรู้ว่ามันต้องรีบกลับมาอย่าดึงอย่าดึงนะคะเบอร์สิบเอ็ดส่งไมมาอยู่ห้างหน้านี้เลย ผลวพ่าจะเอาไมค์คืนอ่ะ <c oughs> ตัวอะไรหัวเราะรู้สึกไหมตัวอะไรโยกเยกนะฝึกนะฝึกให้มันเข้าสันดานเลยหมายถึงอัตโนมัติเลยคอยรู้สึกเรื่อยๆอยากจะขอการบ้านนะคะ กันบ้านเราดูไปดูกายของเรานะร่างกายนี้ไม่ได้สวยไม่งามอะไรเท่าไหร่หรอกวันไหนไม่อาบน้าก็ไม่สวยแล้วไม่ทาแป้งก็ไม่สวยแล้วร่างกายนี้เต็มไปด้วยความไม่สวยไม่งามไม่สะอาดเนี่ยดูเรืๆมันจะไม่มัวเมาในกายนะแล้วก็ต่อไปถ้าจิตใจเรามีความสกจิตใจเรามีความทุกข์อะไรเราก็คอยรู้เอา รู้ร่างกายเราไปด้วยรู้จิตใจเราไปด้วยเวลาดูกายเห็นแต่ของไม่สวยไม่งามม่จะลดความหลงในกายลงแล้วก็ดูจิตใจต่ไปจิตใจเราอยากอะไรขึ้นมานะรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องห้ามมันนะแต่ว่ารู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆเพินะ่กแค่นี้พอแล้วเหลือเฟือแล้วที่หนูภาวานาภาวานาถูกไหมคะถูกแต่หนูรักกายมากหนูดูกายไปด้วยนะ มันประเภทรักสวยรักงามนะดูเรื่อยๆขอบคุณค่ะถ้าดูแล้วหนูจะเจริญเร็วนะดูกายแล้วจะเจริญเร็วแล้วมันจะเห็นจิตใจได้ชัดเอาละได้เท่านี้นะเชิญกลับบ้านวันนี้มีพระอีกกองทัพหนึ่งเนี้ยวหาวง้่งคุณ